ทีนี้ย้อนกลับมาที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะค ร, ครวนแล้วก็เลือกสอนเนี่ยผู้ที่พระองค์สั่งสอนโอวาทแล้วก็มีคุณธรรมตามที่พระรหมสอนก็จะบรรลุอย่างแท้จริงเนี่ยนะธรรมะที่ที่พระองค์ต้องการมากจากภาษาวกทั่วๆไปคือคุณธรรม5ประการเนี่ยเรียกว่าองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าอย่างนะมีอยู่แสดงอยู่หลายแห่งด้วยกัน บางแห่งนี่บอกเลยว่าถ้าประกอบด้วยองค์ห้านี้มาเถอะจะสอนให้ประงาณนี้นเถอะบรรลุภายในเจ็ดปีประมาณนั้นเถอะบอกว่าเจ็ดปียกไว้บรรลุภายในหกปีเลยบอกหกปีหกไว้ห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเนี่ยนะสอนปีเดียวนะถ้ามีคุณขนาดนี้เนะี่ยบรรลุภายในหนึ่งปีก็บอกหนึ่งปีจงยกไว้สอนบรรลุภายในเจ็ดเดือน นนะัเจ็ดเดือนยกไว้หเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสอนแค่หนึ่งเดือนนะขอให้มีคุณธรรมตามเนี่ยบรรลุแน่แล้วก็บอกว่าหนึ่งเดือนจงยกไว้ไม่งั้นเอาเอาเจดวันอนนัเจนะ็ดวันจงยกไว้หกห้าสี่สามสองเอาหนึ่งวันก็แล้วกันเอางี้สอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเชา้าถ้ามีคุณธรรมห้าประการนี้เนี่ยนะห้านะประการก็คร่าวๆกว่อนนะก็คือหนึ่งศรัทธาเนี่ยนะนะถ้ามีศรัทธานะสอง สุขภาพดีเนี่ยนะสุขภาพดีสมไม่โอ้อวดไม่มีมารยานะสี่เป็นคนปรารบความเพียนห้าเป็นผู้มีปัญญาถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้นะมาเถอะเราจะสอนให้สอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าว่างั้นเถอะอันนี้นี่ประเภทนัยยะบุคคลนะที่ที่กล่าวเนี่ยไม่ใช่อุคติตันยูวิปัญจิตันยูนะแต่พวกนัยยะบุคคลเนี่ยนะ เพื่นายะ บ, บุคคลถ้ามีคุณธรรมตามนี้นี่มาเถอะจะสอนให้ห้าประการนะในข้อความในทัศนรัศูตรนะ่ะหน้าสิบสี่ข้อ4ี่รสิบเอดนี่ย น, นะกล่าวถึงองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรหประการเ น, นนะคือผู้ที่จะบำเพ็ญความเพียรถามว่าเพียรในที่นี้เพียรทำอะไรคือเพียรเจริญวิปัสสนานั่นเองเนี่ย น, นะผู้ที่เพียรเพียรที่จะเจริญวิปัสสนาหรือเจริญอนุ ป, ปัสสนาก็ควรมี คุณธรรมประจำตัวอยู่ห้าประการด้วยกันห้าประการก็อย่างว่าข้อแรกนะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกสูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นท่รหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและก็ผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมเนี่ยนะอันนี้ถือว่าคุณธรรมอันดับแรกคือให้มีศรัทธาศรัทธาที่นี้ยกถึงว่าศรัทธาที่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยนะ คำว่าตรัสรู้นี่เป็นชื่อของอะไรจังเกตอนคำว่าตรัสรู้เป็นชื่อของอะไรน่าจะหมายถึงอะไรเนี่ยนะ น, นิพานนี่ตรัสรู้เหรอเนี่ยนะก็โพธิเนี่ยนะคือให้มีศรัทธา ให้มีศรัทธาในโพธิอันนี้แต่ว่าโพธินี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโพธิในที่นี้เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เท่ากับมัรคยานสี่เนี่ยนะหมายถึงมัรคยานทั้งสี่มัรคยานสี่นี้มีอะไรบ้างก็โสดาปติมัชนะแต่ในที่นี้เน้นองค์ธรรมคือปัญญาอย่างเดียว คือปัญญาที่ในโสดาปติมัติปัญญาที่ในสกทาคามีมัติปัญญาที่ในอนาคามีมัติแล้วก็ปัญญาที่เกิดร่วมกับอรหัตตมัติเพรา ะ, ะนั้นคำว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะหมายถึงศรัทธาในมัคคยานของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, น ะ, ะความเป็นพระพุทธเจ้านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยมัคคยานนะมัคคยานนี่แหละเป็นเหตุให้อ่เป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้ผู้ที่ประกอบด้วยมัรคยานอันนี้ก็มีคุณธรรมประจำตัวนะสำนวนว่าเป็นผู้ที่มีชื่อยาวมีใครชื่อยาวเท่าพระพุทธเจ้าอีกมีไหมเคยได้ยินใครชื่อยาวเท่าพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้านะ่จะขึ้นต้นด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะวิชชาจารณะสัมปันโนอย่างง้นนะ คือชื่อของพระ อ, องค์เนี่ยจะยาวมากก็คือบทสวดว่าอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนี่ยเนื่องจากพระ อ, องค์เนี่ยมีมัรคยานะ่ะจึงมีชื่อยาวขนาดนั้นแต่ชื่อทั้งหลายเนี่ยเรียกตามคุณตามคุณที่มีอยู่ว่าพระ อ, องค์นั้นมีคุณอะไรบ้างเนี่ยนะก็เรียกชื่อพระ อ, องค์ตามคุณนั้นๆไปเนี่ยนะอย่างอารหังเป็นต้นอย่างที่ว่าไปเพรา ะ, ะนั้นให้มีศรัทธาศรัทธานี้โดยสาบนีแ้แปลว่าอะไร เลื่อมสเนี่ยนะเลื่อมใสเนี่ยอย่างหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวนําหน้าแต่ในที่นี้ประสงค์เอาเอาเลื่อมสถ้าเปรียบเทียบเลื่อมใสเนี่ยนะในมิลินถปัญหาก็ยกถึงแก้วแก้วกรองน้ําหมือนกันเถอะแก้วแก้วมั น, นีชนิดหนึ่งที่ไปกรองน้ํเหมืนะท่านมด น้ำทีม่มันเต็มไปด้วยคโครนตรมอะนะเ อ, เอาแก้วชนิดนี้ไปแกว่งแล้วน้ํำใสเลยคือมันดีกว่าสารส้มเหมนะสารส้มแกว่งเสร็จอาจจะดื่มไม่ได้แต่นั้นแกว่งเสร็จแล้วดื่มได้สบายๆเป็นน้ําสะอาดทันทีเลยน ะ, ะนนะเรียกว่าแก้ ว, แ ก, วแก้วมเนียนะชนิดหนึ่งที่กรองน้ําก็ถือว่าเป็นเครื่องกรองน้ําอย่างดีศรัทธานี่ก็เหมือนกันเห็นไหมศรัทธาเมื่อเกิดในจิตก็ยังจะยังจิตเหล่านั้นให้ ให้ผ่องใสทำจิตเหล่านั้นให้เลื่อมใสเนี่ยนะสมมติถ้าบอกว่าน้ำขุ น, ะ น, นเนี่ยนะในในน้าที่ขุนเนี่ยตัวน้ำกับสิ่งที่ทำให้น้ำขุนเนี่ยอันเดียวกันไห ม, มก็คนละอันใช่ไหมก็ก็แยกแยกคาว่าน้ำออกมากับแยกตัวที่ทำให้ให้ขุนเนี่ยนะก็แยกออกอะไรล่ะที่สามารถทำให้แยก แยกไอร้ระหว่างน้ําคือลําพังน้ํามันไม่ได้ขุนอะไรแต่ที่มันขุนก็เพราะโครนตมเป็นต้นเนี่ยนะมันไปทําให้น้ําเนี่ยขุนอะไรเป็นตัวแยกล่ะเห็นไหมก็เครื่องกรองน้ําเป็นต้นนะถ้าแบบสมัยใหม่โบราณก็นิยมชมชื่นเหลือเกินแก้วมณีเนี่ยเป็นตัวที่กรองน้ําทําให้ตะกอนเนี่ยมันจากออกไปเนี่ยนะก็จะเหลือแต่น้ําใสๆฉันได้ศรัทธาก็เหมือนกันอะนะน้ํานี้เปรียบเทียบเหมือนกับจิตเห็นไหม ความขุ่นก็คือนิวรณ์เนี่ยนะนิวรณ์ห้านะการมาฉันทะเป็นต้นศรัทธาเนี่ยเป็นตัวมา <Yes. S 1> มากรองเหมงอนกันเถอะเป็นตัวมาแยกให้จิตเนี่ยห่างออกจากนิวรณ์เนี่ยนะเพราะฉะผู้ที่เลื่อมใสยอย่างนี้นะนะพอเรื่อมใสความเลื่อมใสอันนั้นก็จะปรารถถึงการให้ทานเนี่ยนะพอศรัทธานําหน้าเรื่อมศรัทธาเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ ให้ทานสมาท า, า, านสมาทานศีลนะทำอุโบสถนถ้ามีศรัทธางนีก็สมาทานศีลทำอุโบสถหรือเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดก็ด้วย ด้วยศรัทธาเนี่ยนะเพราะมีใจผ่องใสแล้วอะ่ะจึงจึงทํากุศลนั้นๆอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าในการนําในการเจริญกุศลเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าศรัทธาที่นําหน้าอย่างนี้นะในอัธสาลีนีอธิบายเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอะไรนะหัวหน้านักกรบอ่ะนะนักกรบผู้ชํานาญการ สมมตินักรบผู้ชำนาญการผู้ผู้ฉเฉลียวฉลาดในการรบเนี่ยคนหนึ่งว่างั้นเถอะแล้วก็มีคนเยอะๆต้องการจะข้ามน้ำตรงนี้ต้องการจะข้ามน้ำไปอีกฟากหนึ่งทีนี้ไอ้น้ำสายนี่มันมันมีพวกจระเข้มีพวกสัตว์ ร, ร้ายมีอะไรอยู่ในนี้เยอะเนี่ยนะประชาชนทั่วๆไปไม่กล้าข้ามน้ำอันนี้ขึ้น ทีนี้ก็เลยมีไอ้ทหารเรียกว่านักรบกล้าตายคนหนึงอ่ะนะชำนาญในการรบก็มาเลยพอมาก็บอกอ้าวทาไมพวกคุณไม่ข้ามน้ําไปล่ะก็บอกไม่กล้ามาเดินตามผมมาก็ถือดาบนําหน้าไปเลยนะพาข้ามฟากได้ทั้งหมดฉันได้ศรัทธามเมื่อเกิดขึ้นก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าจะห้ามท้าทานก็แปลว่าห้ามมัชฉริยะใช่ไหมเนี่ ย, ยนะตัดมัชชริยะเลยนะถ้าสมาทานศีลก็กําจัดอะไร โทสะเนี่ยนะที่ทอุโบสถส่วนหนึ่งก็กาจัดนะโลภะเป็นต้นเนี่ยเพรา ะ, ะน์ศรัทธาเนี่ยจะเป็นตัวนำหน้าพาข้ามจากห่วงของกิเลสร้ายๆตั้งหลายตัวเนี่ยนะะนั้นกุศลธรรมทั่วๆไปก็จะมีศรัทธานี้นำหน้าเนี่ยนะมีมีศรัทธาเนี่ยเป็นผู้นำก็กรองความคิดให้ให้ผ่องใสทีนี้ ศรัทธาถ้าโดยศัพ์แล้วมีหลายหลายอัตถะนะมีมีหลายความหมายความหมายหนึ่งก็คืออาคมศรัทธาอาคมะศรัทธาเนี่ยนะอาคมะเนี่ยแปลว่ามาวางนั้นเอถอะศรัทธานี้หมายถึงศรัทธาของพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ปรารถนาเพื่อบรุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะอาคมศรัทธานะอาคมะศรัทธาเนี่ย หมายถึงศรัทธาของพระทะั พ, พันยูโพทิสัตว์ที่ตั้งความปรารถนาตั้งกะต้นจนถึงได้บรรลุอันนี้อย่างที่หนึ่งเนี่ยนะหนึ่งอาคมสองอธิคมอธิคมศรัทธาอธิคมศรัทธานั้นหมายถึงศรัทธาของพระอริยบุคคลที่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะ เช่นอาจลาะศรัทธานะศรัทธาที่บรรลุโสดาบันเป็นต้นอ่ะอย่างนี้เรียกว่าอธิคมศรัทธาเนี่ยนะอธิคมเนี่ยหมายถึงบรรลุะนะศรัทธาของผู้บรรลุแล้วก็อย่างที่สเรียกว่าโอกรรมปณสัทธาเนี่ยนะโอกรรมปณสัทธาแปลว่าศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอันศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงพระธรรมคาสอนแสดงไว้ดีจริงแล้วก็ พระสง์ปฏิบัติดีจริงอย่างนี้เรียกว่าโอกรรมปณสัทธาเนี่ยนะนะสัทธาอย่างที่สามเอ่อขอภายอย่างที่สี่เรียกว่าปสาทสัทธาปสาทสัทธานั้นอา่ามุ่งไปที่สัทธาที่ผ่องใสธรรมชาติที่ที่ทําให้จิตเลื่อมใสอนะอันนี้หมายถึงสัทธาเจตสิกเฉยเเนี่ยนะนะทีนี้ในสัทธาที่ ผู้ควรแก่การประกอบความเพียรเนี่ยนะผู้ที่ควรบำเพ็ญเพียรเนี่ยหมายถึงโอกรรมปนะศรัทธาเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เนี่ยนะอันนี้หมายถึงโอกรรมปนะศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวคือเชื่อจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ดีจริงพระธรรมคาสอน นำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วก็หมู่พระอริยาสาวกเนี่ยปฏิบัติชอบจริงเนี่ยนะอันนี้เป็นโอกรรมปนะศรัทธาอันศรัทธาในข้อนี้หมายถึงโอกรรมปนะศรัทธาเป็นโอกรรมปนะศรัทธาที่เชื่อในโพธิคือมัรคยานทั้งสี่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยนะอันนี้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรหรือของผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยนะ ทีนี้คุณธรรมข้อที่สองก็คื อ, อเป็นผู้ที่ไม่อาพาธหรืออาพาทน้อยเมมีทุกน้อยประกอบด้วยไฟธาตุที่มีผลสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเพอควรแก่การตั้งความเพียรทางธรรมะมนี้ถือว่าให้ความสำคัญกับธาตุไฟในร่างกายมากคนที่ธาตุไฟเย็นมากเขาจะมีจุดอ่อนเนไ คนที่ที่ไฟธาตุเย็นกลัวหนาวนะอันนั้นคือจุดอ่อนของเขาคือถ้ามันน้อยนะพวกธาตุไฟนน้อยจะเป็นคนมักหนาวนี่นิดหน่อยๆก็หนาวเต็มทีละอย่างพวกหนึ่งคือธาตุไฟที่มันเกินไปพวกนี้อยู่ตรงไหนก็ร้อนหมดเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็บอกว่าพวกเนี่ยไม่ค่อยพอดีอ่ะนะพวกหนาวเกินไปก็ไม่ดีอพวกร้อนเกินไปก็ไม่ดีพอเหมาะพอสมเนี่ยนะนะหมายถึงว่าทนได้ในทุกดินฟ้าอากาศองนั้นเถอะนะ เธอถ้าพวกธาตุไฟปานกลางนะถ้าช่วงหนาวเขาก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะร้อนมากเขาก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นไรเขาก็จะอยู่ได้ปรับตัวได้เข้ากับทุ ก, ท, กทุกเหตุการณ์สถานที่ไปหมดเลยแต่ถ้าพวกน้อยเกินไปเนี่ยนะโอ๊ยลมพัดมันแนวหน่อยหนึ่งก็โอ้ยพายุหิมเนี่ยหนาเต่อแล้วเนี่ยนะถ้าพวกธาตุไฟมากเกินไปเนี่ยนะโอ้ยนั่งเอาพัดอันหนึง่งอะไรมันนั่งพัดอยู่นั่นแหละร้อนมากเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่เหมาะบําเพ็ญเพนนียรนักหมือนกันเถะผู้ที่ทาธาตุไฟดีๆเนี่ยนะปกติก็ถือว่าเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรถามว่ า, าธาตุไฟอันนี้อยู่ที่ไหนาธาตุไฟที่ที่เกี่ยวกับย่อยอาหารนะก็คือาธาตุไฟที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดเลยเนี่ยนะไม่จําเพาะเจาะจงนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงาธาตุไฟที่อยู่ตลอดทางเส้นทางเดินอาหารทั้งหมดเลยคืิดเอที่อยู่ในลําไส้นะเอ า, เอ า, าธาตุไฟในลําไส้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะ มันก็ถ้าใครธาตุไฟอันนี้ดีก็สุขภาพดีบางั้นเถอะถ้าธาตุไฟเหล่านี้ไม่ดีก็สุขภาพไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะธาตุไฟที่ทำไม่ย่อยอาหารทีนี้คุณธรรมคุณสมบัติของผู้ที่จะบาเพ็ญเพียรข้อที่สามก็คือ ไม่อโอดไม่มีมารยาเนี่ยนะกระทำตนให้แจ้งตามเป็นจริงในภาษาสดาหรือเพื่อนสะพรมจันทร์ผู้เป็นบินยูชนเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าอบอกกล่าวเล่าแจ้งตัวเองตามเป็นจริงนะท่านท่านยกถึงว่าการที่เราจะบอกความจริงของเราเนี่ยนะก็ผู้ที่ควรบอกก็มีอยู่สองท่านคือภาษาสดา นี่นะอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองเพื่อนสะพรมจารีผู้เป็นวินยูชนเนี่ยนะเน้นวินยูชนนะไม่ใช่ว่ารู้จักใครก็เล่าให้เที่ยวเล่าบอกไปทุกคนเลยไม่ใช่มาอันเนี้ยเราไม่มีมารยาเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไงก็รายงานตามเป็นจริงให้ให้ท่านเหล่านี้ทราบเนี่ยนะท่านก็จะได้บอกเราถูกแก้ไขเราเราถูกต้อง ก็บอกว่าพูดถึงอีกในหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าคนไข้ควรบอกอสภาพป่วยตามความเป็นจริงแก่หมอเนี่ยนะก็บอการายงานตามเป็นจริงว่างา น, นเถอะป่วยมันป่วยเป็นยังไงแค่ไหนคือเอาให้พอดีท่านหมอบางท่านก็บอกอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปว่างานน่ะให้มันสมควรกับเรื่องนั้นจริงๆริงว่างา น, นอันนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ยังไงก็ไม่ใช่หลอกลวงเนี่ยนะไม่มีศรัทธาก็ทําตัวโอ้ศรัทธามากเหลือเกินนี่ก็ไม่ช่าง ก็ให้ให้มันตามเป็นจริงถ้าเป็นอบัตก็ให้มันรู้ว่าเป็นอบัตมันเป็นเพราะอะไรก็ให้รู้ว่าเป็นเพราะนั้นนั้น่ะนะท่านก็จะได้แก้ไขเราเราตามอาการที่เป็นอยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นการรายงานไขใจอ่ะนะมก็คุณธรรมข้อที่3ก็คือไม่มีมารยาเนี่ยนะทีนี้คุณธรรมข้อที่4ี่ก็คืออะไรอันนี้หมายถึงเป็นผู้ปรารบความเพียน เนี่ยนะคำว่าปาลบความเพียนนั้นเพียรของเขามีอยู่สองประการนะถ้าเอาเพียนใหญ่ๆเลยนะมีอยู่สองอย่างเพียนสองก็คือหนึ่งเพียนละสองเพียนเจริญเนี่ยนะถ้าอย่างนี้บอกสัจจะได้เลยใช่ไหมว่าเป็นอะไรก็บอกเพียนละสิ่งที่ควรละนั้นคือก็เพียนละสมุทัยเนี่ยนะถ้าเพียนเจริญก็เพียนเจริญ มัก๊กนะนะก็มีอยู่เท่านี้อ่ะอย่างนี้เรียกว่าคนมีความเพียรอย่างแท้จริงอนนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่หลับไม่นอนเลยแต่ว่านั่งฟุ้งอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะโอ้คืนนี้เจริญกรรมมาถาอะ่ะเจริญทั้งคืนนะอยู่ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนแต่ว่าฟุ้งตลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่คําว่าละในที่นี้ก็คือเพียรละนิวอนเนะนี่ยนะนิวณ์ทั้งห้านะการมฉันทาพยาปาทถีนัมิท่าอุทะจกักกุกุจะ วิจิกิจฉาเพราะนั้นคำว่าเพียรในที่นี้เพียรละสมุทัยก็คือเพียรละนิวรนนั่นเองอย่างต่อไปก็คือเพียรเจริญมัชเนี่ยนะเพียรเจริญมัชมัชนั้นก็คือก็แบ่งออกเป็นอธิศีนใช่ไหมมัช น, นะอธิศีนอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาเนี่ยนะในที่นี้ประสงค์เอาอธิจิตกับอธิปัญญาเนี่ยนะอธิจิตนั้นก็คือ สมถะอธิปัญญานั้นก็คือวิปัสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าสิกขาสามบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็เป็นเป็นอะไรเป็นมัชเนี่ยนะมันก็เพียงที่จะเจริญอธิจิตตสิกขากับอธิปัญญาสิกขาทีนี้ถ้าสมถะไม่เกิดก็ปรารบเพื่อให้เกิดขึ้นใช่ไหมที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระมหากรสปะนี่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเจริญอันนี้นะว่า ผู้ที่จะบตารบความเพียร น, นะควรคิดแบบนี้เพคะเขาบอกว่าวิธีคิดเพื่อให้เพียร น, นะควรคิดว่าอากุศลธรรมทั้งหลายถ้าเราไม่เพียร น, นะไอ้ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดถ้าถ้าไม่เพียรเจริญนะถ้าไม่เพียรเจริญกุศลเนี่ยอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ก็จะเกิดอันนี้อย่างหนึ่ง น, นี่ข้อหนึ่งนะข้อสอง ถ้าเราไม่เพียรเจริญกุศลนะอกุศลที่เกิดแล้วสมมุติว่าเกิดหน่อยหนึ่งนะมันจะลามขึ้นมันจะลามเหมือนกันะมันก็จะเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เพียรในกลุ่มนี้มีอยู่สองข้อเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเพียรละเนี่ยมีอยูสอ่สองข้อด้วยกันคือเพียรไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพียรกำจัดอกุศลที่เคยเกิดขึ้นแล้วเพื่อกำจัดออกไปเนี่ยแหละก็คือสัมมารประธานสี่ ทนี้ในฝ่ายเจริญก็แบ่งออกเป็นสองข้อคือให้มาคิดว่ากุศลธรรมที่เรายังไม่เจริญนะถ้ากุศลนั้นไม่เกิดเสียหายไหมก็เสียหายหมายว่ากุศลนั้นนั้นถ้าที่ยังไม่เกิดและจะไม่เกิดต่อไปเสียหายแล้วก็ข้อสาข้ อ, ข, อข้อต่อไปก็คือกุศลเหล่านั้นนะถ้ามันเกิดเสร็จแล้วมันเสื่อมไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากุศลที่เคยเกิดแล้วเสื่อมไปนะก็บอกว่าอันนี้เสียหายมากๆ ท่านยกตัวอย่างว่าข้อข้อสุดท้ายเนี่ยกุศลที่เคยเกิดกุศลที่เคยเกิดนะตอนหลังไม่เกิดถามว่าเสียหายยังไงโดยทั่วๆไปนะถ้าพระภิกษุจะลาศิกขากันเกือบหมดเพราะเหตุผลอันนี้เนี่ยนะสมมุทากุศลที่เคยเกิดแล้วตอนหลังไม่เกิดอย่างยกตัวอย่างว่าสมถทานเนี่ยแบ่งเป็นชานที่หนึ่งสองสาม สี่จนถึงอรูปประชานอีกสี่จนได้กับอภินยาเนี่ยนะนี่กลุ่มที่หนึ่งทีนี้กุศลธรรมเหล่านี้มันเกิดตอนหลังไปได้เหตุตัจัจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเสื่อมถ้าเสื่อมส่วนใหญ่ก็จะลาศิกขาเนี่ยนะั้นก็บอกว่ากุศลที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะถ้าระวังไม่ได้รักษาไม่ดีก็ก็เสียหายมากๆอันนี้กป็นข้อนหนึ่งสมถวิปัสนาเออสมถะก็กล่าวไปแล้วทีนี้วิปัสสนาก็เหมือนกัน ถ้ามาปารลบอายนิโสมนัสิการเกิดขึ้นนะตอนแรกๆเจริญวิปัสนาดีนะอันนี้จังทุกขังอนาัตตาก็เห็นชัดมากตอนหลังอายนิโสมนัสิการมันครอบงำนะนะนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเข้ามาหมดเลยทีนี้ก็จะเสื่อมเพราะเสื่อมอีกก็เสียอีกเดี๋ยนะพวกที่เสื่อมจากวิปัสนาดีไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะผู้ที่เสื่อมจากเสื่อมจากสายวิปัสนาจะเป็นมิจฉาทิฐิผู้ที่เสื่อมจากสายสมถะก็จะหมกมุ่นในกาม เพราะอันนี้คุณธรรมคือการทำความเพียร น, นี่นับว่าสำคัญมากๆนะต้องต้องเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรจริงๆบางแห่งก็ให้ตั้งความเพียรประกอบด้วยองค์องเท่าไหร่ความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ใช่ั้ยก็คือการมังตะโจนะหา루อาัตถีเนี่ยนะหมายถึงว่าในร่างกายเนี่ยมันจะเหลือเหลืออะไรบ้างเอาส่วนที่เหลือก่อน ในร่างกายเนี่ยนะให้รักษาว่าหนึ่งหนังเนี่ยนะเอ็นกระดูกก็บอกว่าถ้าเหลือแค่นี้ก็ใช้ได้ละอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้ถ้าไอสิ่งที่จะหมดอ่ะเงี้ยนะไอสิ่งที่หมดเนี่ยมันจะหมดอะไรบ้างอ่ะเนื้อกับเลือดเนี่ยนะไอนี้จะให้มันแห้งไปก็ช่างมัน ให้มันเหือดให้มันแห้งไปก็ช่างมันถ้าไม่บรรลุไม่เลิกเหมือนกันเถอะเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะคืนสุดท้ายอะ่ะที่นั่งบนแท่นวัชระอาจเนี่ยนะแท่นวัชระอาจเนี่ยพอนั่งเสร็จอธิษฐานเลยเขาบอกว่าเนื้อและเลือดในสรีระมันจะเหือดแห้งไปก็ช่างมันจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเถอะถ้าไม่บรรลุอิทธิผลนะที่ที่ควรบรรลุด้วยเรี่ยวแรงเนี่ยนะถ้าไม่บรรลุไม่เลิกเนี่ยนะ ก็เท่ากับว่าท่านอธิษฐานว่าถ้าท่านไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านจะข อ, อนั่งตายอยู่ตรงนั้นแหะเนี่ยนะยนะว่านั่งให้มันตายไปเลยนะแต่อันนี้หมายถึงว่าเขารู้แล้วนะว่าคุณธรรมอื่นๆมีเยอะและไม่ใช่ไปอธิษฐานอย่างนี้อาจจะตายจริงก็ได้เพราะว่าตายแบบไม่ได้บรรลุอนะเพราะยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรสําคัญที่สุดเนี่นะเวลานั่งแล้วต้องรู้ว่านั่งแล้วเจริญอะไรไม่ใช่พอนั่งเสร็จแล้วก็ฟุ้งตลอดทำไม ไม่ก่อนนะขอมาเคยนั่งเหมือนกั น, นจะอธิษฐานเอาเรื่องอาราวเหมือนกันนั่งเจริญอุทจัก <c oughs> คิดไปเรื่อยไหมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ทีนี้คุณธรรมข้อต่อไปนะข้อข้อที่ห้าก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะดูคุณธรรมข้อนี้สําคัญมากคือปัญญาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเ ปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ เ, ยะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยนะอุทยพยญ า, ยานเนี่ยนะที่ที่ตรัสรู้ลักษณะโดยอาการห้าสิบอัตถกถาท่านบอกเลยว่าหมายถึงอุทยพยาญาาที่ตรัสรู้ความเกิดและความดับโดยอาการห้าสิบเนี่ยนะ อุทยพย า, ยามที่ยังรู้ความเกิดและความดับโดยอาการห้าสิบอุทยะหมายถึงเกิดนะอุทยะเกิดยี่สิบห้าวยะแปละว่าเสื่อมเนี่ยนะวยะนี่แปละว่าเสื่อมขอใคยเขียนผิดอ น, นะอุทยะ อันนี้ยี่สิบห้าพยะเนี่ยนะพยะตัวเนี้ยี่สิบห้านี่เขาซ้อนมาเฉยๆก็รู้เหตุเกิดและความเสื่อมโดยอาการห้าสิบนก็ถามว่าไอ้ที่เกิดเสื่อมนี่มันอะไรเกิดอะไรเสื่อมตัวเขาจริงๆก่อนนะนะก็คือเน้นที่อุปาทานขันห้า เห็นไหมเน ไ, ไต้องรู้จักคําว่าอุปาทานขันห้าก่อนอุปาทานขันห้านั้นประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณแต่ไอ้ที่ว่านี่มันคืออะไรนะโอ้โหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไอ้ที่ว่านี่มันคืออะไร ก็ยืนอยู่สองนั่งอยู่หมดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยนะที่นั่งที่ยืนนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านี่โดยศัพ์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าเกิดจากเกิดจากอุปาทานเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานเกิดจากอุปาทานแล้วก็มาเป็นปัจจัยแก่ อุปาทานเลยเรียกว่าอุปาทานนะขันทีนี้ถ้าเรามามองว่าที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างต้นเหตุของมัน